ตำรวจจำตัวเจ้าของเงินมารับเงินคืนไปได้พร้อมทางนัดผู้เจ็บเงินไดให้มาพบให้มาพบกันเจ้าของเงินดีใจมากเลยลงกราบาผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวนะฮะลงกราบเลยด้วยความเคารพเรื่องใสอย่างใจจริงแล้วก็น้ำตาไหลปีตีปราโมดน้ำตาไหล ถ้สนทนากันไปก็ได้รู้ว่าเงินจํานวนนั้นเจ้าของเงินกําลังจะเอาไปให้เจ้าของที่และบ้านซึ่งเขาผ่อนส่งไว้เอขาดส่งมาหลายงวดแล้วเพรเงินไม่ทันครับเพราะหาเงินไม่ทันทีนี้พอได้เงินมาก็รีบเอาไปให้รีบเอาไปใช้เขาลูกก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลใจก็กังวลถึงแต่ลูกจนลืมของสําคัญครับ เ, เพราะว่ามีของหลายอย่างหอ่อผิวปรุงพลังมออ <c oughs> พอลงจากแท็กซี่ก็พอรู้สึกหิวว่ากับแล้วก็แวะเข้าร้านอาหารขณะรออาหารก็สำรวจดูจึงรู้ว่าลืมถุงเงินเอาไว้ก <c oughs> ็ลืมถุงเงินเอาไว้แต่ก็ไม่รู้จะไปตามแท็กซี่ได้ที่ไหนกลุ้ใจจนทาอะไรไม่ถูกเพราะว่าถ้าไม่ ไม่ส่งเงินงวดนี้อีกเจ้าของที่และเจ้าของบ้านก็จะยึดคืนคที่ส่งมาแล้วก็จะสูญไปเสียหมดใช่ไหมครั บ, รบฟังฟังเล่าแล้วผู้เก็บเงินได้ก็ปีติจนขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัว ร, รู้สึกเพอิ่มใจเป็นที่สุดเป็นเรื่องที่จะต้องจดจำไปตลดอดชีวิตรู้สึกรู้รู้สึกขึ้นทีใดก็คลื่มใจสุขใจทีนั้นรู้สึกว่าได้ตัดสินใจถูกที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่อยากได้คไม่ยอมทําตามข้อเสนอเนี่ยของความโลภหรือความอยากแต่ทําตามข้อเสนอเนี่ยของธรรมคือความไม่โลภคความไม่อยากได้ไม่เห็นแก่ตัวอนี่นะครับครับนี่ตัวอย่างไหมท่านอาจารย์นะนี่ประเภทหนึ่งที่อยากด้วยความเสียสละประเภทหนึ่งที่มีข่าวท่านอาจารย์นะเอาเงินตัวเองใส่กระเป๋ามาแล้วก็บอกว่ามีเก็บเงินได้ แล้วก็ไปแจ้งตำรวจโฆษณาบอกว่าเก็บเงินได้เสร็จแล้วก็เอาเอแท็กซี่ที่เก็บได้ก็ให้แท็กซี่ไปสองหมื่นอะักอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่เสียสล ะ, ะ, ะ, ะ<ช> อ, อาจารย์นักข่าวก็อยากอยากดังนะครับก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ตัวเองก็ไม่มีความสุข<ช><ช>ครับครับให้ให้ให้เ<ห>พราะเพราะอยากจะดังเพราะอยากจะดัง<ช>ครับ<ช>พอดีเงินห้าแสนนี่ก็ จ่ายแท็กซี่ทันทีเลยว่าโอ้ด้ซึแท็กซี่ดีเหลือเกินนะครับเพราะให้ไปสองหมืนก็เรื่องความและการเสียสระที่เอ่อที่จะเรียกว่าเป็นก <c oughs> ารกําจัดความอยากนั่นจะต้องเอ่อเสียสละด้วยด้วยสติด้วยปัญญาเนีท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าเสียสละไปแล้วแต่ว่าไปหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนอย่างโน้น อ, อย่างนี้มาเนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อย่า ง, งที่อาจา ร, ร ย, าย์ยกตัวอย่างคนขึ้นแท็กซี่ไ <crates. S 2> ม่ตั้ที่เนี่ยก็ก็เสียตัดความอยากของตัวเองอ่าตัดความอยากของตัวเองก็เอาเงินนั้นไปมอบให้แก่ตบตำรวจเพื่อที่จะประกาศหาเจ้าของอันนี้ถือว่าเป็นการกระทําซึ่งโดยไม่เร่หวังผลอะไรแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือตัดความอยากของตัวเองไปได้คไม่ได้เงินแต่ แต่ว่าได้ความภาคภูมิใจได้ความอิ่มเอิบใจว่าตัวตัวของเราเนี่ยได้ประพฤติธทำแล้วสบายใจกว่ากันเยอะสบายใจสบายใจเราใจสบายใจกว่ากันเยอะเลยครับแล้วเราก็จําไปตลอดชีวิตฮะแล้วก็ต่อไปก็ไปเล่าให้ลูกให้หลานอะไรฟังได้ด้วยความภาคภูมิใจก็ด้วยความเสียสละลักษณะอย่างนี้ทีละเล็กละน้อยนะท่านอาจารย์นะครับความอยาก ที่จะกลายเป็นไม่หิตรานความอยากใหญ่อยากอยากอยากได้มากๆจะได้เป็นมีปัญหานี่หนึ่งถ้าอาจารย์คนเราเนี่จะไปเข้าใจคำว่าอิจฉาเนี่ยอิจฉ า, าหมายถึงความไปเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วไม่อยากให้คนอื่นเขาได้ดีครับมันเข้าใจธรรมะตัวนี้ผิดไปในความหมายทุกวันเนี่ยถ้าอาจารย์คำว่าอิจฉาเนี่ยจริงๆแล้ว มันจะมีอยู่คำหนึ่งคืออิจฉาคืออิจฉาหรือว่าิศยาิษยาซึ่งตรงข้ามกับคาว่าอิจฉาอิจฉานี่แปลว่าความอยากได้นะฮะความอยากได้เชื่อได้ความต้องการคับส่วนิศยานั่นเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้ทนไม่ได้เรียกว่าิษยาฤศยาแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็นภาษาไทยที่ คุณรู้กันไปเลยนะ uh, อิจฉาเนี่ยหมายถึงอะไรนะถ้านอาจารย์มันมไม่ใช่ความอยากแล้วแต่ทีนี้ถ้าเขาพูดกันเล่นในหมู่เพื่อนมันก็ห ม, มายความหมายความมาชันอยากเป็นอย่างเธอแต่อยากมาอิจฉาเธอจังเลยพออยากเป็นอย่า ง, งาาเธอพออยากเป็นอย่างเธอทํำยังไงที่จะเป็นอย่างเธออ๋อคอับทีนี้ก็ยังกะที่มีบางคนเขาบอกว่าเราในอิจฉาเขาออิจฉาเขาด้ที่เขาไม่ได้เป็นอย่างเขาแต่อยากเป็นอย่างเขาอนี๋อ อันนี้ในความหมายว่าริษยาใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นการนํำคำมาใช้ผิดอ่ะครับครับมันก็คําว่าสงสารนะครับสงสารมันในความหมายว่าเห็นใจเวทนาเลยใช่ในความหมายว่าเห็นใจแต่ว่าความหมายเดิมสงสารก็คือท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปอท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏครับสังสารวัฏแล้วก็อีกคํานึงที่มักจะพูดกันก็คือเวทนารู้สึกเห็น เด็กนั่งขอทานและรู้สึกเวทนาเอแท้จริงคล้วคำเวทนาเนี่หมายถึงการเสวยอารมณ์หรือไหมครับอาจารย์เวทนานี่ก็คือเอ็นดูครับในความหมายของเราเรียซเสื้อเอ็นดูในความเสื่อเอ็นดูแต่ว่าจริงๆแล้วคําว่าเวทนาเนี่ยหมายถึงการเสวยอารมณ์สเวทนาในความหมายเดิมมันก็เป็นเงินกับครับเยอารมณ์ จะต่อไปอีกสักก้อนไหมะฮะก่ อ, ะอนที่จะเปิดสายนะครับคแบบเ อ, อชนะความความโรคโดยความอดทนและความสันโดษ ค, ความโรคนี้มันมีหลายระดับนะครับความโรคอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดก็มีความแตกต่างกันความโรคอย่างหยาบก็คือความโลคในทางทุจริต อิชาวิสมาโลภานั่นนะครับ <Okay. S 2> นนเป็นความโลภยังยหญนีนความโลภยังกลางนี่คื อ, อ, อไม่รู้จักพอหรือว่าสุดจริตนั่นแหละอยากได้ในทางสุดจริตธรรมากินอะไรไปโดยความสุดจริตแต่ว่าไม่รู้จักพอ <Okay. S 2> หรือว่าไม่ไม่มีเพดาน <Okay. S 2> อยากได้มากเกินไปมากเกิน mm. ขอบเขต อันนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอย่างกลาง <c oughs> ไม่ใช่อย่างหยาบอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันทำให้เอาอเปรียบคนอื่น <c oughs> อย่างที่ถ้าเผื่อเราเรามีของที่เกินจำเป็นมากๆมันก็ทำให้คนอื่นที่เขาควรจะได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้คมันทำให้คนอื่นเขาเสียโอกาสก็ไม่เจ้าอะไรสมมติ อว่าเรามีรถสามสิบคันเนี่ยครับถ้าไปเอาเปรียบคนอื่นนี่เขามีคันเดียวเพราะว่าในคันเดียวเนี่ยเขาว่าวิ่งไปตามธรรมดาแล้วมีสาสิบคันเนี่ยก็ไปแย่งถนนหนทางเอาอีกถ้าทำให้คนอื่นก็เสียเสียผลประโยชน์สาสิบคันใช้คนเดียวครับถ้าใช้คนเดียวใช้คนเดียวไม่จะวิ่งได้ไงคนเดียวใช้ก็ใช้ทีละคันแต่ทีนี้ก็มันก็มากเกินไปนะฮะมากเกินไปมากเกินไปอ่าทีนี้ก็ ความโลภอย่างละเอียดอย่ากละเอียดนี้ท่านใช้คำมาคิดที่โลภะคิดที่โลภะคืออะไรนะครับคิดที่คิดที่กอคอควายสลายทอทหารทอธงสลายอ๋อคิดที่โลภ ะ, ะคิดที่โลภะอันนี้หมายถึงว่าความติดใจความติดใจในสิ่งของที่เป็นของตัวติดใจหมกหมกหมกมุ่นผัวพันธุ์ ไอสิ่งของที่เป็นของตัวคืออันนี้หวงของตัวเองยังไม่ต้องหยาดอันนี้อ่าอย่างเช่นว่ามีเสื้อผ้าเยอะๆเนี่ยนะเสื้อผ้าเยอะๆก็ไม่ได้ค่อยได้ไซททั้งคือหมดเลยนะฮะรู้สึกติดใจปวพันหมกมุ่นในสิ่งของที่ตัวมีอยู่นั่นเองมีสามตู้สี่ตู้ก็ไม่อยากจะให้ใครอ่ามันก็เยอะแยะครับมีมีอย่างเงินคนที่สะสมอะไรอืเยอะๆนะฮะ โดยเดิที่เกินจำเป็นเกินความจำเป็นเกิน <ะ S 1> ความจำเป็นไปก็มีความจิตใจผัพวพันผูกพันอยู่กับสิ่งของต่างๆของตัวครับอันนี้ก็เป็นความโลภอย่างละเอียดถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เห็นถ้าข้อความโลภ ก, ก็จะแบ่งเป็นสามระดับระดับความโลภความโลภอย่างหยาบก็หมายถึงความอย<ะ>ากทั่วไป โลภอยากได้ของผู้อื่นโลภอยากได้ของผู้อื่นกับโลภในทางทุจริตครับทางทุจริตความโลภอย่างต่างก็ได้แก่ความอยากได้สะสมไว้มากเกินไปสะสมไว้มากเกินไปครับแต่คิดที่โลภะก็ความโลภอย่างละเอียดนี่หมายถึงอความคิดที่จิตใจแล้วอจิตใจผูกพันจิตใจผูกพันในของของตัวในของของตัวครับ เใครมาทําแตกก็โกรธตายเลยครับแบบนี้นะฮะครับาบางคนก็มีรถก็วันๆหนึ่งก็ไม่ต้องทําอะไรเช็ดแต่รถอยู่ทั้งวันเนี่ยครับนี่ลักษณะเนี้ยครับครับลักษะเนี่ครับมีแหวนอยู่วงว่าเอามาขาดเอามาส่องนั่งส่องทั้งวันครับลักษณะเนี่ยครับในที่เขาเล่ากันนีสมเด็จพระสังฆราชที่วัดสวอรนิเวศครับองค์อโน้นะครับองค์ก่อนนะฮะครับของท่านสมเด็จ กรมหลวงวช่รญาณวงศ์ท่านมีถ้วยชาอยู่ใบหนึ่งบางจะถ้วยบางเหมือนใบข้าวเอาท่านก็ใช้อยู่เป็นประจำถ้าวันหนึ่งก็เด็กเอาไปทําแตกทําแตกก็อืมาวันละวันวันต่อมาก็เอาไปเอาเอาถ้วยชาใบอื่นเข้าไปก็ตัวสั่นอยวกลัวท่านจะดุท่านถามมาแล้วใบที่ใช้อยู่เป็นประจําไปไหน บอกว่าแตกซะแล้วเออเออดีเออดีหายวงไปทีเออดีหายวงไปทีเรื่องนี้ผมก็เคยประสบด้วยตัวเองครับใชอาจารย์ <c oughs> ตอนเป็นเอ น, ยนอยู่ที่สุพรรณเนี่ยนะฮะก็ <c oughs> อ, อาจารย์ที่เลี้ยงผมาตั้ง เ, เล็กๆเนี่ยท่านก็มีปั้นน้ําชาอยู่ใบหนึ่งท่านรักมากเพราะปั้นใบอื่นก็ชงชาแล้วก็มาอร่อยมันต้องต้องใบเนี้ย จะใบ อ, อื่นอะไรต่อะไรมาก็ท่านก็นไม่เอาก็ต้องใบเนี้ยก็ช้าขึ้นมาก็ต้องไปล้างแล้วก็ชงน้ำชาทา่ทานท่านก็บอกว่ามาอร่อยดีมันจะอาจจะเป็นที่ว่ามันใน เ, เป็นปั้นที่เก่าแล้วก็ไอไอกิ่นชาหรือว่าอไอใบชาน้ำชามันก็คงจะเกาะ อ, อยู่ตามตามตัวมันนะนะฮะทำให้อร่อยอาจจะติดในรถก็ได้นะก็วันหนึ่งผมก็ไปล้าง ล้างก็ทำหูแตกไม่มันไม่ได้แตกทั้งหมดเลยนะฮะทำหูแตกก็ทาทั้งพระทั้งเนนทั้งเด็กในวัดเนี่กะกะล้ววันนี้เนเนเลนขาวนี่ยต <c oughs> ีแน่นะ <c oughs> ไปทำของรักของห่วงแตกมันก็ไม่ได้แตกเสียหายล่ะแต่หูบินอ่าจะหูห <c oughs> บินไปครับ <c oughs> ผมก็ตัดใจก็บอกว่าเด็กลุงตาลงตาครับผมทำหูกาน้านี่แตกครับ ถ้าพูดคําเดียวบอกวเออแค่นั้นแหละก็จบแล้วก็แสดงว่าท่านก็คงจะละได้นะท่านอาจารย์เข้าถึงอ่ะเข้าถึงโดยไครก็ดีก็ต้องถูกตีได้ดอนแหละเพราะว่าโอ้โหของรักของห่วงกันเข้าถึงว่าสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาแต่เสแลี่ยครับถ้าหากว่าบางคนที่ที่โผล่พลาดถ้าหากว่าเอของอะไรจะเสียหาย ก็จะบนเรือ ง, งนี้ะทั้งวันทั้งคืนเลยนะใช่ครับ <ฮะ S 2> เครื่องไรกรมเนี่ย <ฮะ S 2> โอ้ใครไปทําแจกทำเสียหายเนี่ยตีตายเลยครับก็พรคุณเจ้าบางรูปในห่มจุวรสวยนะปรากฏว่าวันหนึ่งก็ไปนั่งพวกอยู่ข้างหน้าสูบุรีไฟจากบุรีจึงปิวมาปรากฏว่า จีวอนไม่จีวอนไม่จีวอนโอ้โบนทั้งวันสายไลจิวอนไฟบุรีเนระวังิงกับจิวอนบางบางนั่นนะครัสมัยก่อนขึ้นรถไฟกันนะครับรถไฟสมัยที่ใช้ปืนนะครับ ครับท่านอาจารย์ครับเราจะเปิดจะเปิดสายอย่างอี้ครับเราก็จะเปิดสายให้ท่านอาจารย์นะฮะครับอาจารย์คุณสุชาดาครับสวัสดีคุณสุชาดาครับค่ะสวัสดีค่ะครับขาเดินสายท่านท่านจารวสินนะคะครับครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคคือออยากจะเรียนถามปัญหาซึ่งข้องใจนะคะเออ คือคนพูดกันหลายอย่างแล้วเกินนะแต่ดิฉั่านมีความมั่นใจในอาจารย์ว่าจะให้คําตอบที่ถูกต้องนะเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องนิพานเนี่ยคือตามความเข้าใจของดิฉันเนี่ยอ่าที่เคยรับรู้มาเนี่ยนะฮะความว่านิพานนี่หมายความถึงว่า <c oughs> จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นจากลโลกโกรธหลงแล้วเนี่ยเข้าไปสู่นิพานครับครูรครตระหเข้าใจอย่างนั้นนะนะทีนี้ก็อีกคําถามหนึ่งก็ว่า คือจิต <c oughs> ชื่อจิตกับตัวรู้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันรู้กับจิตนี่คือตัวเดียวกันไม่ราบว่าสนอาจารย์จะมีจะให้เมตตาให้ความเห็นอย่างไรคะครับครับนิพพานนี้ง่ายๆก็คือว่าใ จ, จที่สงบนั่นเองนะฮะเอเตโซโหติสาสันตินิพพานามีติวุจเต ใจที่สงบนั่นเองคือท่านเรียกว่านิาพพานอันนี้ตอบไปแล้วนะฮะตอนนี้เรื่องจิตกับตัวรู้ใช่ไหมครับท<ช>ี่ผ่านเดียวกันหรือเปล่ามันคนละตัวครับคนละตัวเหรอคะคนละ ต, ตัวเพราะว่าตัวรู้นี่มันเป็นตัวเจ ต, เจตสิตกเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่จิตก็คือจิตอตัวรู้นั่นเป็นตัวปัญญาเป็นเจตสิกซึ่งเกิดคู่กับจิตเกิดร้อนกับจิต คือคือคื อ, ค อ, ค อ, ค อ, คอเคยมีพระท่านเคยบอกว่าพระท่านอายุมากแล้วนะคะแล้วท่านเสียไปแล้วด้วยท่านบอกท่านเคยบอกไว้ว่า อ, อรู้กับจิตเนี่ยคือตัวเดียวกัน ถ, ถ, ถ้าอย่างนี้นะสมมุติว่าเราเลยเข้าใจอย่างงั้นมาเลยเราจะตั้งคําถามว่าเรารู้ธรรมเนี่ยรู้ด้วยจิตหรือรู้ด้วยปัญญาสมมุติว่านะฮะตั้งคําถามว่าเรารู้ธรรมรู้ด้วยจิตหรือรู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยจิตนะก็ทั้งสองอย่างครับ ค่ะเผื่ถ้ามีแต่จิตไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้อถ้ามีปัญญาไม่มีจิตปัญญาก็มีไม่ได้ออมันต้องมีทั้งสองอย่างถ้าถ้าสมมติว่ามีทั้งปัญญาเอะด้วยเหรอคะต้องมีปัญญาด้วยแล้วมีจิตด้วยมีจิตด้วยมีปัญญาด้วยครับค่ะมีเวทนาด้วยมีสัญญาด้วยค่ะอ่าพวกพวกนี้มันต้องมีพร้อมมันนะครับอค่ะถ้าถ้าสรุปว่ามีจิตแต่ว่าไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้มีปัญญาไม่มีจิต ก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างทั้งจิตและปัญญาเนี่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันครับองอาศัยกันขอบคุณคุณคือคดามากครับครับสวัสดีครับก็ทักายหนึ่งคุณตุจินสวัสดีคุณตุจินครับครับกับสมรรถกาอาการสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพเลยนะครับผมสวัสดีคือเมื่กีนี้ท่านอาจารย์หนีมาธรรมดาผมเคารพท่านมากนะ คืออาจารย์วสิณตัามตอบในเรื่องว่าปัญญาคือผู้ที่เห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นอริยสัจเรามีอยู่ไม่สักเล็บมือเดียวนะอาจารย์ทั้งโลกนี่ผมว่าอวิชาทั้งนั้นแหละนะครับผมก็เรียนแค่นี้นะครับขอไปด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผมอันนี้กําหนดอย่างสูงนะครับคือพู้ถึงกำหนดอย่างสูงตามตามทัศนะของพระอริยเจ้าะถ้าว่าถ้าอย่าง โลกิยาปัญญามันก็อย่างคนธรรมดานี่ก็ได้ฮะครับได้อย่างน้อยคนในโลกิยาปัญญาธรรมดาก็รู้ว่าอะไรดีควรทําอะไรชั่วควรละแค่นี้ก็ถือว่ามีปัญญาแล้วนะฮะใช่ครับมีปัญญาในความหมายของพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาในลักษณะของการเรียนเก่งไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะฮะครับมาคุณวิโรธทูเดยคุณวีโรดครับ สวัสดีคุณพีดก้ครับสวัสดีครับอาจารย์ต้องขาวอาจารย์กระม น, นะ่ะโดยเฉพาะท่านอาจารย์วสินนะครับครับสวัสดีครับถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านหนึ่งเพราะว่าเ อ, อจุดกําเนิดในการนับถือาศาสนาที่มั่นคงเนี่ยท่านไในฝันนี้ก่อนที่อาจารย์ท่านมาดูอยู่เล่มหนึ่ง <ฮะ S 1> เรื่องชีวิตนี้มีอะไรยังคิดถึงท่านมากอยู่นะฮะครับค่ะ อ, อยากจะไปกราบขอบพระคุณท่านอยู่ยเหมือนกันแต่อยากยาวคร่าวๆนะฮะเปิดมาแป๊บก็เจอเลยออในบทเรื่องธรรมธายาธ อผมเชื่อปัญหาทั้งหลายที่พระที่มีปัญหาคือการไม่ปฏิบัติตามธรรมธายาธที่พระองค์ได้ส่งทร<ช>งย้ําไว้ก่อนที่จะมรณ์ก่อนที่ท่านจะดับขันนะฮะ<ช>ที่ว่าจงเป็นธรรมธายาธคือเป็นผู้รับมรดกธรรมของเราเถ<ช>ิดอย่าเป็นอา m i ท h ายาธคือผู้รับมรดกอามิตรของเราเลยนี่นะะแต่ขยายความอีกเยอะก็คงเป็นหน้า<ช>แต่อยากจะแนะนําว่าหลายหท่านเนี่ย การศึกษาพระศาส น, นานะฮะศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วควรจะประกอบด้วยการอ่านนิยายธรรมคดีทั้งหลายเนี่ยจะมีส่วนต่างๆที่เราเข้าใจเยอะเลยนะฮะแล้วเข้าใจโดยละเอียดแล้วก็สิ่งธรรมะที่ท่านอาจารย์วสินได้พูดไว้เนี่ยตรงมากเลยเ ร, เรื่องเรื่องนี้อ่านแล้วผมผมแม่มันแปลกๆนะฮะพอได้ฟังธรรมะท่านอีกเนี่ยไม่เคยได้ฟังท่านพูด้วย ก็ขอกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะครับอาจารย์คุณวิโรธครับก็เชื่นใจท่านอาจารย์ครับครก็ก็คุณวิโรธใช่ไหมครับคุณวิโรธครับอไม่ทราบว่ามีอีกเล่มหนึ่งหรือเปล่าเล่มสองมีมีเรื่องอะไรครับท่านอาจารย์ภาพจำลองชีวิตนี้มีอะไรนี่เล่มหนึ่งเล่มสองใช่ไหมครับนเล่มหนึ่งครับอ๋อค่ะเล่มสองก็คือภาพจำรองชีวิตภาพจำลองชีวิตธรรมธรรมธรรมธรรมธายาทก็คือผู้ที่เพื่อปฏิบัติให้เหมาะสมที่จะได้รับมรดกธรรมนะมรดกธรรมในที่นี้ก็คือ ทำโมจะวินโยจะนี่เองนะท่านอาจารย์ครับครับือว่าท่านเตือนให้พุทธสาวกเป็นผู้รับมรดกท่านค่ะครับอย่ารับมรดกอมิตรของท่านครับค่ะคุณสุชาติพขมีเวลาไหมครับค่ะคุณสุชาติครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์วัสินด้วยนะครับสวัสดีครับพอดีกระเสริมที่ทุนวิจิตท่านผู้หญิงที่ถามเรื่องจิตจะรู้นะฮะครับจริงจิตก็รู้ฮะ แต่แค่เขรู้อารมณ์ฮะแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความจริงก็คือปัญญารู้ครับและรู้ก็ยังมีหลายรู้คือสัญญารู้วิญญาณรู้แล้วก็ปัญญารู้ถ้าวิญญาณรู้ก็คือจิตรู้อะแต่รู้อารมณ์อแต่พารู้อารมณ์มันไม่จะรู้ตาความเป็นจริงในอารมณ์ก็ได้ต้องปัญญามาช่วยอก็เสร็จแค่นี้อาจารย์โอเคครับงั้นก็บอกว่ามีโลดนะครับมีอีกเล่มหนึ่งนะครับภาพจำลองชีวิตนะครับหาอ่านต่อนะครับหนังสือของท่านอาจารย์ประสินนะครับแต่ท่านอาจารย์มีอะไรจะ เสริมในช่วงสุดท้ายคอาจ่ายให้เหลือหนึ่งนาทีครับก็หนึ่งนาทีก็ขอให้พยายามเอาชนะความโกรธโดยการ <c oughs> ให้อภัยนะครับครับแล้วก็ <c oughs> ให้เข้าใจกรำให้อภัยให้ดีนะฮะครับก็ว่าอการให้อภัยก็ต้องมีความยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็เอาชนะความอยากโดยความเสียสละครับ เพิ่มพูนความเสียสละให้มากในชีวิตประจาวันคนจะได้เสียสละอะไรทุกทกวันทุกทุกวั น, วนเป็นกา ร, รเพิ่มพูนบ่มนะฮะบ่มจิตด้วยความเสียสละแล้วก็เอาชนะความโลภด้วยความอดทนและความสันโดษอันนี้ที่จริงยังไม่ได้ขยายความนะฮะ เพิ่มความอดทนในความสันโดาคณะก็คงจะได้ขยายต่อนะท่นอาจารย์ครับครับถ้าหมดเวลาพอดีนะท่านอาจารย์ครับจะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระเศีนรก็อย่างยิ่งเลยครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงชัยชนะแปดประกาศชัยชนะแปดประกาศครับครับแต่ผมขอขอย้อนพูดถึงกาลามัสูตรนิดหนึ่งได้ไหมค้ับพรมค่ะครับครับมีคนชอบอ้างเรื่องกาลามสูตรนนะครับ เคไม่รู้จะว่าอะไรก็เอาอ่างกะลามสูตรจริงจกะลามสูตรนี่มันเป็นธรรมสัจจานะครับครับธรรมสัจจะอันนี้เคยพูดกันแล้วนะแสดความว่าเป็นเรื่องเฉพาะกรณีไม่ไม่ใช่สัจธรรมจริงที่ท่านจะถือเอาเป็นครอบคลุมทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่ากาลามสูตรเนี่ยถ้า เลาใช้ในกรณีเป็นบางกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะพเรื่อ ง, อองสมมุติว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็<า>ต้องฟังให้ดีกับโด<อ>ยเฉพาะชาวกะรามาตดนเฉพาะชาวการาม า, นะ า, าที่มีเหตุนำมาอย่างนั้นแต่ว่าไม่ไม่ใช่สัจธรรมแบบอริยสัจหรือว่าไตรักอะไรพวกนี้นะฮะนั่นคือ<ต>ความจริงโดย เป็นธรรมดาของโลกเลยเป็นความจริงคู่กับโลกเลยที่ครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดแต่ว่ากาลามสูตรนี่เป็นธรรมสัจจะเป็นจริงแล้วแต่กรณีอจะพอเรื่องจะพอเะพอเรื่องจะพอกรณีก็โดยทั่วไปท่านก็สอนให้เที่ยวฟังครูบาอาจารย์สอนให้เที่ยวฟังพ่อแม่ให้เที่ยวฟังใครต่อใครนะฮะโดยที่สุดแม้แต่ตำราก็ให้เรียนครับให้เรียนตำราไม่งั้น ถ้าไม่ให้เชื่อตำราแล้วเราเรียนตำราทำไมครับก็การามาสูตรนั้นก็เป็นตำราครับเราก็ควรไม่เรียนการามาสูตรครับถ้าหากว่าไม่ให้เชื่อก็ต้องไม่เชื่อกาลามาสูตรด้วยอ่าก็ควรจะไม่เชื่อกาลามาสูตรด้วยเพราะการามาสูตรก็เป็นเป็นในตำราทั้งหลายครับน้องนะถ้าส่วนส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอ้างอทีความเข้าข้างตัวเองนะท่านอาจะเพราะฉะนั้นอจะจะอ้างการามาสูตรใน ก็ควรจะดูที่ไปที่มาอะไรให้ให้ให้เหมาะนะฮะครับผมครับทีนี้ในในเรื่องของอพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็อย่างงาท่านผู้ฟังที่ได้คารุณาโทรมาคุยเมตส ก, กีในถ้าหากว่าเออตำราพระไตรปิฎกพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เป็นมาตรฐานอยู่ถ้าหากว่าแต่ละคนก็ปฏิบัติปฏิการปฏิบัติของแต่ละคนนั้นก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เ, เห็นอะไรก็ไม่เหมือนกันถ้าจะเอาความเห็นของตัวเองมาเป็นเครื่องตัดสินพัฒตาจิตศกผมว่าก็คงไม่ถูกต้องอะไราน่ใจจาจกก็เขาให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ความเชื่อส่วนบุคลคลว่าเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าจ ะ, ะจะมาจะมาโค่นหรือหักล้างพัฒนาจิตศกคือว่าจะโยนทิ้งอะไรอย่า ง, งานั้็ ก, ก็ไม่ได้นะฮะไม่งั้นก็ต้องโยนทิ้งหมดครับถ้าในกรณีที่ พระไตรปุกท่านไตรปุกพระธรรมปิฎกท่านก็เขียนไว้ชัดเจนถ้าหากว่าจะปฏิเสธพระไตรปิฎกสมรรคผลนั้นเป็นเป็นพระนะฮะเป็นพระปฏิเสธพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิเสธความเป็นพระของตัวเองด้วยเพราะว่าการเป็นพระขอ ง, ของตัวเองนั้นสำเร็จได้โดยพระไตรปิฎกเล่มนี้ใช่ไหมครับถ้าปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธทั้งทั้งหมดะจะไปปฏิเสธเฉพาะตรงที่ตัวเองไม่ชอบก็ปฏิเสธ หรือว่าไม่เข้ากับทิฏฐิของตัวเองก็ปฏิเสธเอส่วนอันไหนที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็วัดวัดถูกต้องก็คงจะเอากรณีนี้มาเป็นมาตรฐานก็คงไม่ได้นะท่านอาจารย์ครับครับครับครัทนก็เข้าเรื่องของเราต่อไปนะครับผมครับผมครับคราวที่แล้วผมคุยกับอาจารย์ถึงท่านผู้ฟังถึงเรื่องชัยชนะแบบประการนะครับผ่านมาแล้วสามอย่างนะครับชนะความโกรธด้วยการให้อภัยครับชนะความอยาก เฮิตชาด้วยความเสียสละครับเอาชนะความโลภด้วยความอดทนและสันโดษทีนี้วันนี้ก็จะคิดว่าจะเริ่มอย่างที่สี่นะครับชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญด้วยความกล้าหาญท <Jeez. S 2> <ห shuttle S 1> ีนี้ที่ควรจะวินิจฉัย ก, ก่อนก็คือความกลัวนี่เป็นสัญชาติยานอย่างหนึ่ง ในคนและสัตว์ทั้งหมดนันครับเป็นสัญญาตยานอย่างหนึ่งอย่างสุภาษิตโบราณที่ว่า อ, อ, อาหารณนิตจาพยาเมทุนันจะอาหารการกินการนอนความกลัวภยัยแล้วก็การสืบพันธ์อันนี้เป็นสามัญทั่วไปแก่สัตว์ทั้งปวงปสุภิณารานังรมโมฮิเตสังอธิโกวิเศษโส ทำนั่นแหละที่ทําให้คนและสัตว์แตกต่างกัน อ, อคนที่เสื่อมจากธรรมหรือคนที่ไม่มีธรรมก็เสมอ ก, กันกับสัตว์เดรัจฉานนะครับอันนี้ธรรมเมวะที่นาปัสุพีสมานาใช่ครับใช่ครับปัสุพีสมานาเสมอ ก, กันกับสัตว์เดรัจฉานอันนี้ท่านท่านให้ไว้อย่างอาหารการ น, นอน แร้ก็การกลัวภัยรล้ก็การสึบพันธุ์นี่เราเป็นเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายแร่ว่าความกลัวนี่ถือว่าเป็นเป็นสชาติายานหรือ ว, ว่าเป็นพื้นฐานในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรทั้งนั้นในชะ่ครับพอเกิดมาก็รู้จักกลัวแล้วหรือ ว, ว่าจะเป็นนกหนูหมูแมว แม้แต่ว่าสัตว์เซลเดียวอะไรต่อ่ะไรก็เรื่องของการกลัวภัยนี่ก็คงจะต้องมีก็เกิดมาก็รู้จักกลัวครับแม้แต่หนอนเนี่ยเราไปถูกมันมันก็วิ่งหนีเรากระเดือกกดื่มหนีเราอะนะฮะครับครับผมทีนี้มันต่างกันแต่เพียงวัตถุแห่งความกลัวครันะครับซึ่งก็ะสวนมากก็ไม่ใช่วัตถุที่มีตัวตนจริงนนะครับมันเป็นเรื่องที่จิตสร้างขึ้นมากกว่าครับ สิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาให้น่ากลัวเนี่ยครับมันอยู่นานกว่าสิ่งที่มีตัวตนจริงๆแล้วก็ทรมานจิตใจคนได้มากทีเดียวก็ลงว่าในตอนนี้ผมพูดถึงสองอย่างนะครับสิ่งที่คนกลัวนะฮะหรือว่าวัตถุแห่งความกลัวอ่าวัตถุแห่งความกลัวที่มันมีตัวตนจริงๆที่มีตัวตนจริงกับสิ่งที่จิตสร้างสิ่งที่จิตสร้างขึ้น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 เออันนี้อาจารย์พอนีึกออกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก็คงนึกออกเรื่งพวกนี้เพราะว่าแต่ละคนไม่รู้สึกจะสร้างสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาครับในในใจของตัวแล้วก็สิ่งนี้มันจะอยู่นานมากเลยบางคนกลัวว่าจะไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งกลัวว่าคนโน้นจะเข้าใจผิดกลัวว่าคนโน้นจะไม่รักกลัวว่าจะ เงินเดือนไม่ขึ้นอ่าใช่ครับใช่ครับอาจารย์ช่วยขยายความดน่อนะครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> กลัวอนาคตอ่ะ